หรือทำในใจโดยแยกขายหรือรู้จักเดินความคิดนำจิตไปให้ถูกทางสู่เป้าหมายเช่นรู้จักคิดด้วยอุบายวิธีที่จะทำให้โทสะระงับและเกิดเมตตาขึ้นมาแทนเป็นต้นแต่จะยังไรก็ตามในฝ่ายสมถานี้โยนิโสมนสิการที่อาจต้องใช้ก็จะเพาะประเภทปลุกเร้ากุศลธรรมเท่านั้นไม่ต้องใช้โยนิโสมนสิการประเภท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 คือพูดถึงอย่างหนึ่งก็หมายถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาแยกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอย่างไหนพึงสังเกตผลในทางปัญญาที่แตกต่างกันระหว่างศรัทธากับโยนิโสมนสิการศรัทธาเหมือนกุดร่องที่ตายตัวไว้แล้วสำหรับให้ความคิดเดินส่วนโยนิโสมนสิการทําทางที่เหมาะให้ปัญญาเดินได้ผลในแต่ละครั้ง ในทางพุทธศาสนาท่านสนับสนุนให้มีศรัทธาชนิดที่เชื่อมต่อกับปัญญาได้คือศรัทธาที่เปิดโอกาสแก่โยนิสโสมนสิการตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นศรัทธาแบบขุดร่องตายตัวเชื่อว่าอะไรอะไรจะเป็นอย่างไรก็สุดแต่พรหมลิขิตบันดาลความคิดหยุดตันอยู่แค่นั้นส่วนศรัทธาแบบนำไปสู่โยนิสโสมนสิการเช่น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 ที่เป็นตัวโยนิโสมนาสิการเองและการใช้ปัญญาตามแนวทางหรือวิธีการนั้นด้วยหรือเมื่อพูดถึงปัญญาภาคปฏิบัติการสักอย่างหนึ่งเช่นคำว่าธรรมวิจัยก็มักละไว้ให้เข้าใจเองว่าเป็นการใช้ปัญญาเฟ้นธรรมให้สำเร็จด้วยวิธีโยนิโสมนสิการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะพูดให้เห็นเหมือนเป็นลาดับก็จะเป็นดังนี้เมื่อสติ ระลึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องใช้ต้องทำและเอาจิตกำกับไว้ที่สิ่งนั้นแล้วโยนิโสมนาสิการก็จับสิ่งนั้นหมุนหันเอียงตะแคงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่งให้ปัญญาพิจารณาจัดการซึ่งเป็นการกำหนดจุดแง่มุมท่าทางและทิศทางให้แก่การทำงานของปัญญาแล้วปัญญาก็ทำงานพิจารณาจัดการไปตามแง่มุมด้านข้างและทิศทางนั้ น, น, น ถ้าโยน่ในโสมนาสิกาจัดทำท่าทางให้เหมาะดีปัญญาก็ทำงานได้ผลอุปมาเหมือนคนพายเรือเก็บดอกไม้ใบผักในแม่น้ำไหลมีคลื่นเขาเอาอะไรผูกหรือยึดเหนี่ยวตรึงเรือให้หยุดอยู่กับที่จ่อตรงกับตำแหน่งของดอกไม้หรือใบผักนั้นดีแล้วมือหนึ่งจับกิ่งก้านกอหรือกระจกพืชนั้นรวบขึ้นไปรั้งออกมา หรือพลิกตะแคงโกงหรืองออย่างใดอย่างหนึ่งสุดแต่เหมาะกับเครื่องมือทํางานอีกมือหนึ่งเอาเครื่องมือที่เตรียมไว้เกี่ยวตัดหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จกิจได้ตามความประสงค์สติเปรียบเหมือนเครื่องยึดตรึงเรือและคนให้อยู่ตรงที่กับต้นไม้เรือหรือคนที่หยุดอยู่ตรงที่เปรียบเหมือนจิต มือที่จับกิ่งก้านต้นไม้ให้อยู่ในอาการที่จะทำงานได้เหมาะเปรียบเหมือนโยนิโสมนาสิการอีกมือหนึ่งที่เอามีดหรือเครื่องมืออื่นทำงานเกี่ยวตัดเปรียบได้กับปัญญาอย่างไรก็ตามในที่ทั่วไปพึงจับเอาง่ายๆเพียงว่าโยนิโสมนสิการหมายคลุ่มถึงปัญญาคือมนสิการด้วยปัญญานั่นเอง อันหนึ่งเมื่อโยนิสโสมนัสิการกำลังทำงานอยู่สติก็จะยังอยู่ด้วยไม่หลงลอยหลุดไปดังนั้นสติกับโยนิสโสมนัสิการจึงเกื้อกูลแก่กันและกันในวิปัสสนา